พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเกิดในสถานที่ดีแต่ไม่มีบุญเมื่อเอิญหลวงพ่อจะได้ไป แสดงถรำเดวยไปเทศจูวัดโพธิสมพรนะคณะาศาาญญาัทธายาจมลูกลานเงื้อเหนืงในงานทําบุญอายุวัฒนโมงคลครบรอบรอยหาปีแปดจิหาพันสาพระอุดมยานโมรีวงเล็บหลวงปู่จันศีจันททิโปเจาะวาดวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพระอารามหลวง ตำบลหมากแข้งองเภอเมืองจงอุดรธานีแสดงทําเวลา1ี4นาฬิกา30นาทีจนถึง1บห5นาฬิกา30นาทีมืออื่นวันที่เก่าผู้ใดอยู่แถวเมืองอุดรได้ยินข่าวได้ยินเสียงหลวงพอ่อจะไปรวมทําบุญในวันเกิดหลวงปู่ก็ไปนะวันที่ เมืมออื่นน่ะทําหุ่รลอยหาปีแต่วันหลวงปู่เนี่ยพันยูพุ่นเนี่ ย, ย, ยพันยูนยลงพยาบาลจุลาเดี๋ยวนี้แล้วพนนอ น, ย น, น, น, อ, นยอยู่พุ่นพันหมดเลยขืนมาหรอกปีนี่พักจุพุ่นได้รักษาตัวจุพุ่นแต่ลูกหลานก็ได้จัดงานวันเกิดถวายเผิ่อเหมือนทุกปีอที่ผ่านมาแต่หลวงพ่อก็อาจจะไปปีสุดท้ายก็ได้ที่ลูกหลานเนี่ พออายุปกลกหลวงพ่อกือบเจ็ดสิกว่าปีแนละ้วจะไปตะลอนตลอนใดจังใดแต่ลูกหลานสัท่าญยานินู่นมาจากขหไปนะนะั่นน่ะอยไปแสดงถ้ำไปเทตชนะว่าการเต่ยวหลวงพอนะ่อเบิงเบิ ง, งสังขารจบของเนะีสักจะอ่อนไปเรื่อยๆรื่อขึ้นกันนคะันช่วงเนี่กวงจะพ่อไปได้ยกมืออืน่นเบิงมือเ อ, อิญทุกอนอยู่เป็นมือมือไปขึ้นกันได้ กันบางมือกันพ่สบายเลยแหมกันพ่สบายจะไปได้จังไรล่ะเหมือนกับรถเท่าน่ะรถเข้อมันห่างออรถมันเอะแลนตะกุกตะกักตะกุกตะกักเลฮ้าจะไปแลนในถนนได้จังไรอันนี่คือกันน่ะร่างกายสังขารของเฮ้ากัคือกันกับรถอ่ะกันว่ารถกายของเฮ้าปกติเฮ้ากับไปใช้งานบะไรคือกันเออเาไปออกงานบะไรคือกัน ออกไปแสดงท้ำวะใดขึ้กันแต่เมื่ออื่นต้องเบงซะก่อนกันพ่อไปใดต้งพ่อก็จีไปขันไปวะใดก็ลูกพอก็จังหมดขึ้กันนะลูกหลานนะ้าวะใดไม่ลูกหลานเสียงดังเอาออกไปข้างนอกนะอเดี๋ยมาหาอยู่แถวนี่ไงซะก่อนอยังคอยเอามาฟังเทศลงตาเดี๋ยวเนียมันยังลบขวดมูอยู่มันแมนเน่เหนืพ่อกับแม่แห่ ปูยาตายากเห็นลูกหลานห้องแต่แห้งดีใจแต่ผู้อื่นเน่ยยิ่งเนะี่ยมันขวางหูงขวางตาได้เป็นบอ่อตะแก่ <c oughs> แต่หลวงพะนะ่อนึกว่าขวางดอกแต่ล้ำค่านตรง น, นั้นนะี่ยย่ำเทศเสียสมาธิเพราะในในลูกหลานต้าออกไปไกลๆก่อนเวลากินข้าวต้มขนมยัค่อยเอาขามาหลวงตาว่าวา ย, ย่างหนึ่งเนี่ยา่กินข้าวต้มขนมอย่ำแสดงถ้ำย่ำเทศนี่หลวงตาต้องให้เอาเล็กหน่อยออกสักก่อน วิทยุไอ้โทรศัพท์ขึ้นกันปุริมีปิดไว้ก่อนอย่าให้มีเสียงอันว่มีเสียงขึ้นเรื่อรีบออกไปไปคุยกันโดย้างนอกคนนะมองนี้บอลแม็งมองคุยกันหมองฟังถ้ำมองฟังเทศหมองฟังหลวงพ่อเทศเออมันต้องเก่งใจมูได้เออไปโย่ใสบอกเก่งใจผู้อื่นบุริได้เออขวางเขาเห็นบ่มาจากทางอื่นทางไกล ป้าเพื่อจะมาฟังเทปมาฟังแนวความคิดของลงพอผพวเข้าผลนสียฝ่อยังให้ฟังน ะ, ะพ่อขึ้นมาแน้วมีเสียงโทรศรัพท์ดังขึ้นมาแล้วมาคุยโว่๊วยังไงทางทีมากู่มาจากกาลสินรอยเอ็ดมหาสารคา ม, มนะมาตะกวงตะไก่ถึงเขาจะบบดาต่อหนากเขาปจิดาต่อรับหลังกันโ้ย เออีหาบักหาหนึ่งเป็นยังไปหาเปิดเอโทรทัศน์เอ่อกำลังพนกําลังจิเท็จจีหมอบยังให้ฟังอยู่มหากวนโมผู้จังสันก็มีขึ้นกันวนลงไปกระเจี๊ยวทางเดียวกับโบแมนคือกันบางก้อนโอ้ดีละโทรทัพท์มันดังขึ้นว่าให้หลวงอินพ่ออินได้บอได้ว่านเข้าได้สบายได้กินเขาไห้เมื่อนนั้นก็มีคึ้กันอีขึ้นกันวนลงไป เออพวมันหน้าหน้าจิตตังหน้าหน้าทัศนาได้มันบอกคณะท้าญาติโย o หลุกลันเอาหลวงพ่อเจว่าเป็นภาษากลางให้ฟังนะอาจจะมีคนทางปากกลางมากฟังภาษาอีสานของห้าอาจจะบวชนัดนะหลวงพ่อเจว่าเป็นภาษากลางวันนี้เป็นวันที่8วันเสาร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2559 วันที่16ที่จะถึงเป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาออกพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายจะออกพรรษาแล้วก็วันที่23ตุลาวัดของเราวัดป่านาคำน้อยของเราจะมีการทอดกะถินสามมุขีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเ่บริษัทศิลวัฒน์ มูลนิธิศิริวัฒนภักดีมากางเต็นท์ให้แล้วนี่แต่คิดว่ากางวันนี้คงจะจบทําไมกางแต่ฮ ว, วดปีนักเพราะว่ามีหลายเจ้าที่จองไปเจ้าภาพก็เลยมากางให้หลวงพ่อสะก่อนเพื่อจะได้กางที่ อ, อื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้กางแต่นิ่น วันนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามงานกระถินของพวกเราก็อย่างที่ผ่านไปทุกปีที่ผ่านมาก็ทำแบบเรียบง่ายไม่มีมโหารสพครบงานอะไรหรอกพอถึงเวลาแล้วก็มาร่วมกันทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อจะตุปัจจัยก็เพื่อบำรุงวัดบำรุงพระพุทธศาสนา เหมือนกับศาสนาอื่นๆเขานะ่ะเขาก็มีพุทธศาสนาก็มีเช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้ละเว้นเพราะอา น, นิสงส์แต่ละอย่างมันต่างกันอา น, นิสงส์ทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอา น, นิสงส์ทานเกือนน้อกูล น, นุนอานิสงส์ศีล เมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ใดอันนี้สงสีนคุ้มครองจะไม่มีใครมาเบียดเบียนลังแกรเราเพราะอะรเพราะอั น, นสงสีนคุ้มครองอ น, นสงสมาธิทำให้จิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเรามีสติสมบูรณ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาอันนี้คืออันนี้สงแห่งสมาธิเพราะนั้นทั้งสามอย่างถ้าเราไม่ทำทาน เกิดมาพบหน้าชาดหน้าอดอยากทำมาค้าขายหาข้าวจะกอกหม้อไม่มีหาข้าวจะกินไม่มีพวกเราเป็นยังไงลําบากไหมกับลาบาก เ, าเกิดมาพบหน้าชาดหน้าอเนกสงสินของเราไม่ดีมีแต่คนมาลังแกเบียดเบียนดีไหมก็ไม่ดเีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราไม่มีอเนกสงแห่งจิตตภาวนา เกิดมาโง่เง่าเตาตุตนไม่มีสติปัญญาการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ทันเขาเหมือนกับพวกเราเห็นในคนในประเทศชาติบันเบืองในกลุ่มของพวกเราก็ค ง, งจะพอให้เห็นอยู่ในอนิสงแห่งการภาวนาไม่มีและเป็นยังไงพวกเราเห็นแล้วก็ไม่สบายใจ นี้ก็เหมือนกันนะั่นน่ะถ้าถาว่าผู้ที่มีอเนกสงสานอเนกสงสินอเนกสง์ภาวนาเป็นเครื่องเครื้อกูลหนุนเป็นเพื่อค้าเป็นเครื่องคำ้ำโชูพวกเราไปเกิดณนะสถานที่ใดๆพบใดภูมิใดก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราได้มาเกิดในพบนี้ชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าอย่าได้ให้เปล่าประโยชน์ เ, เมื่อได้มาพบแล้วนะพวกเราควรจะตักตวงเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะาคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้พวกเราศึกษาถ้าว่าเราไปเกิดเป็นผิดที่ผิดทางอย่างที่พวกเราทั้งหลายเคยได้เห็นในสื่อต่างๆในยุคสมัยนี้ไม่น่าจะมีมันก็มีไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดในต่างถิ่นต่างแดนในต่างทวีป แล้วเป็นยังไงถ้าเราไปเกิดณนะสถานที่แห่งนั้นมีแต่ความทุกทุกข์ระทมในจิตใจพอเราไปใช้กรรมชั่วเพราะนั้นพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสน า, าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินผู้ทรงศีลทรงธรรมปกครองปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมายาวนานและก็ปกป้องพระพุทธศาสนา พวกเรานับว่าโชคดีที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นอย่าให้ความโชคดีจุดนี้นะ่ะพัดพรากจากเราไปนะเมื่อเราตั้งตนไม่ไวไวไม่ดีนะถึงจะเกิดในประเทศที่ดีแต่เราเกิดมาแล้วทำความชั่วนะทำความเสียหายไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเกิดมากับเปล่าประโยชน์เหมือนกระลิงนะที่มาเกิดในวัดหลวงพ่อนะ ไถเดือนก็มีตัวบุ่งตัวหนอนก็มีอยู่ในวัดป่านาคาน้อยนี่นะแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันมาเกิดอยู่มันมาเกิดชื่อยู่ที่วัดป่านาคาน้อยนะแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเพ้อๆมันจะมากัดมาฉกพระอีกต่างหากถ้าเป็นงูนะเพราะนั้นถึงจะมาเกิดในวัดของเราก็ไม่ได้ทาประกอบคุณงามความดีแต่พระในวัดของเรา ศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องได้มาบําเพ็ญกุศลได้มารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีนั่งภาวนาบําเพ็ญจิตภาวนานั่นแหละเป็นประโยชน์นะผู้ที่มาทําประโยชน์ก็เปิดประโยชน์ที่มาเกิดแล้วไม่ได้ทําอะไรก็ร้ายค่าไร้ประโยชน์เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันอะเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย เ, เรามาเกิดมาแล้ว เ, เราเกิดมาเหมือนกับเราเป็นมนุษย์ เราก็ได้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนั้นแปลว่าไม่ไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วก็ได้ประกอบความดีแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ประกอบความดีล่ะเปล่าประโยชน์นะคณะตัทธายาตโยมเหมือนกับลิงข้างบางชี้นีตกกระตงตกกระแตเนะี่ย จ, จิงจกจิงเห้นที่มาเกิดนะในเขตวัดของหลวงพ่ออินเนะี่ยน่ะ คิดวัดป่านาคำน้อยนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันเพ้อเผลอยังทำโทษอีกต่างหากเป็นงูระกัดพระอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันนะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย อ, อ, อย่าได้ทำตนให้ออไร้ค่าไร้ประโยชน์ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลการสังสมบุญกุศลนั่นคืออะไระดีรู้จักไม่ดีชั่วรู้จักไม่ชั่วนะ เราต้องมองดูซะก่อนดีกับชวนะั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักดีแล้วเนี่ยดีในหลักของพุทธศาสนาดีหนึ่งดี2ดี3ดีสี่ดีเลิศดีหนึ่งดีหนึ่งก็คืออะไรประกอบสัมมาชีพไม่เป็นคนรกประเทศชาติไม่เป็นคนลกโล ก, ลกเป็นคนดีประกอบสัมมาชีพมันขยันไม่เบียดบน่นเบียดเ บ, บียนตนและผู้อื่นไม่เป็น ขโมยโยโจนสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทําเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทอํอสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรคือเขาจับเข้าคุกนั่นคดีไหนพวกเราคงจะรู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วคนที่จับเขาจับเข้าคุกนันคืออะไรอันนขึ้นไปศาลแล้วเขาพิพากษาตัดสินเข้าคุกนั่นแหละอันนั้นเราไม่ดีดีนั่นคืออะไร ดีนะคือประกอบคุณงามความดีสัมมาชีพรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จัก พ, กกพี่น้องวงศาคนาญาติประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นคือคนดีเกิดมาใครๆก็ต้องการอยู่ในชุมชนสังคมของพวกเราอันนี้ดีพื้นฐานนะท่านทีต่อไปดีส่วนตัวก็มามาออเออให้มีแห่การให้ทาน ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่านะขยะวิยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าตินะสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารไม่เที่ยงแนละลูกหลานนะ่เกิดแก่เจ็บตายแต่ที่ยังไงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คืออะไรนะให้เป็นสัมมาชีพไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่แหละ ประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งที่เราจะช่วยเหลือได้เรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนเราช่วยวัดวาศาสนาช่วยโรงลริ่โรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองในชุมชนกลุ่มของพวกเราอันนี้คือประโยชน์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือการเกิดมาแล้วต้องทําตนอย่างไรและก็ปฏิบัติตนอย่างไร อย่างนั้นก็เป็นผู้มีทานเป็นผู้มีเสียสละเสียสละให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คื อ, อหน้าที่ของบุตริดาประกอบคุณงามความดี ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่ของตนและก็ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์าญาติของพวกเราด้วยจากนั้นก็ดูแลพระพุทธศาสนาเป็นบ่อบุญบอกกุศลสําหรับพวกเรานี่แหละอันนี้คือทานคือการเสียสละให้กับชุมชนสังคมให้กับครอบครัวของเราจากนั้นก็เรื่องศีลก็รักษากายวายจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษนนดีขึ้นลาดับลํำดั บ, ดบนะที่นี่นะ ตั้งแต่ดีพื้นฐานจนดีขึ้นมาจนถึงรักษาศีลแต่เน่สำรวมกายการไปฆ่าคนอื่นเขาขอมาฆ่าเราขาโมยคนอื่นเขาขอมาขาโมยของเราเราไปไปประพฤติผิดในลูกเมียของคนอื่นเขาเขามาประพฤติผิดในลูกเมียสามีภรรยาของเราการโกหกคนอื่นเขาขอมาโกหกเราแล้วก็เราดื่มสุราคาดิตแล้วก็ทาความเสียหาย ไปฆ่าคนอื่นเข้าไปขโมยคนอื่นเข้าไปพืชประพืชตลาดละล่วงในสามีภรรยาคนอื่นเข้าโกหกคนอื่นใครเข้าเพราะขาดสติเลยล้วนแล้วจะเป็นความชั่วทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้านั่นอันนี้ก็คือสินขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นก็มาถึงด้านจิตใจอีกใจเราคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเราคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิ มาดูใจของตนเองอ่ะอันนี้เรื่องสมาธิแล้วนะที่นี้นะถ้าอาาคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิจะไม่รู้นะลูกหลานะนะคณะทาย า, าติโยมพระเนเนนะจะไม่รู้ว่าตัวเองนึกคิดเรื่องเรื่องอะไรถึงจะมันจะนึกคิดตลอดทั้งพี่ทั้งวันก็เถอะก็จับไม่ได้เพราะเราไม่ไม่ได้มีจิตใจของเราไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตใจของเรามีสมาธิจิตใจในั่งสงบแล้วนะเอะแล้วก็มองใจของตนเอง เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราใจเขาเราคิดเรื่องอะไรเราคิดดีแล้วเขาคิดชั่วเราคิดทางบาปแล้วเราคิดทางบุญใจของเราเป็นยังไงในขณะนี้เราจะเห็นได้ด้วยตัวของพวกเราเองเพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นเรื่องศีลสมาธิทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกทันนะในเมื่อเห็นจิตใจของเราแล้วกันนะรู้ได้เลย ใจกับกายกายกับใจเป็นอะไรมองเห็นกันได้ชัดในความรู้สึกเพราะอะไรเพราะเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเครื่องทางฝึกจิตฝึกจิตฝึกใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในตำบลอำเภอจังหวัดไหนให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ พวกเรามีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเราไปนในสถานที่ใดอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนรกหลานนะถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีมีแต่สนุกสนานเพิดเพลเดฮาเพลเผยยังไม่เชื่อวอมบับมีบุญมีนรกสวรรค์มีตายแล้วสูญอีกต่างหากอพอมีอายุมากมากขึ้นมาเลยแต่ไห น, นว้าวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าแล้วแี่ไเอ ตายหรือเปล่าเราตายแล้วจะไปที่ไหนวะตายแล้วศูนย์้าตายแล้วเกิดถ้าตายแล้วศูนย์ไม่เป็นไรถ้าตายแล้วเกิดเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลในจิตไว้ในจิตในใ จ, ในใจเสียเลยทำยังไงใจของเราจะ ว, าว้าวเองเพราะมองไปทางหน้าแ้วมืดมิดปิ ด, ดตาเพราะอะรเพราะไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่เหมือนคนที่ ประกอบคุณงามความดีสม่ําเสมอมาโดยตลอดนะมาถึงเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วก็มองไปอนาคตอืออเราทําแต่คุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกศุศลมาโดยตลอดไม่ได้ประกอบความชั่วเสียหายอะไรถึงเอาเถอะเมื่อข้าพเจ้าจากไปถ้ามันตายสูญก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนในการเกิดมาแต่เมื่อตายแล้วเกิด ข้าพเจ้าต้องไปเกิดในสถานที่ดีแน่ๆเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้ามีแต่ทำคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจนี่แหละมันอุ่นใจอย่างนั้นนะคณศัารย์ญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกคนนะฮาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเ น, นีนะ